มีอะไรที่ต้องบอกที่ให้เห็นให้ดูเพราะว่าชีวิตของเรามันมีหลายอย่างถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่พบเห็นมันก็หลอกเราเราจึงมาดูเหมือนพระพุทธเจ้าว่าสู้ทั้งหลายจงมาดูโลกนี่อันวิกิตกาล ดุดลาชรถที่คนเขาคนหลงกำลังหมกอยู่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไหมโลกโลกไปใชยแผ่นดินโลกคือกายอันกวงศอกยาววานาคืบมีกายมีกิดรู้อะไรได้ เราจึงมาเรียนให้มันจบโลกอันนี้แล้วมันก็จบเป็นมันมีอะไรหลายอยา่างมันมีบาปมันมีบุญมันมีพบภูปต่างๆไม่เหมือนสตริรจิานการมาดูก็คือมีสติสติเหมือนดวงตา ตงต่อภายในมาดูกายมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายดูกายอย่างเดียวเห็นจิตสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตใหญ่มันจะแสดงให้เราเห็น ความไม่จริงมันก็แสดงความจริงมันก็แสดงแสดงหลายฉากมันออกมาแสดงออกมาโชว์บางทีเราก็หลงไปการตามการแสดงของกายของกิจที่จริงเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีใครดูแลเขามานานเขาก็แสดงตามฉากต่างๆจน เขาจำนิจํำนานทำให้เราหลงส้นหลงทิศทางไปกับเขาเราถ้าเรามาดูเราจะได้ความฉลาดความฉลาดได้ปัญญามันก็เกิดขึ้นจากการแสดงของกายของจิตเช็นเราไม่กายเราก็หลงไปกับกาย การดูเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันรูแ้แหลูกแจ้งแล้วุริเจ้าเห็นก่อนใครทั้งหมดกายสักว่ากายไใช่สัตว์ปุคลตัวตนเราเขาเป็นอย่างนั้นแต่ยังเป็นตัวเป็นตนอยู่กับกายก็ถูกมันครอบงำเราเป็นาธาตุของกาย กายเขาป่งการบงงานขี้ให้เราสุขให้เราทุกข์ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายไม่ใช่เรื่องเล็กๆล็กน้อยน้อยกระทบกระเทือนไปหลายอย่างพอมาเห็นกลกายสภาวากายเห็นแจง้งมันก็มันก็จบดูกายมันก็จบเรื่องของกาย ถ้าเป็นกายล้วนๆแต่ว่ามันยังมีอีกซ่อนขึ้นมาหลายอย่างมีเวทนามาีสุขมีทุกข์มีอะไรต่างๆอยู่บนกายนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยถ้าได้บุกออกไปเป็นช่องเป็นทางไปสักหน่อยมันก็เป็นทางไปรู้ไปเห็นไปมันก็บอกเราคายมันบอก ใจมันบอกเป็นช่องเป็นทางเป็นกระแสเป็นทิศเป็นทางไปมันไม่เหมือนการศึกษาทางโลกหาส่วนประกอบมาพิสูจน์แต่กายนี่ในตัวมันมันก็บอก เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์ในความไม่เที่ยงมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นในความเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนั้นมันตรงๆมันก็โชว์ให้เราเห็นตรงๆงในความไม่ใช่ตัวตนมันก็โชว์ให้เราเห็นตรงๆงเดี๋ยวเราก็ไปหลงตรงนี้บางเอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์เอามา ดีใจเสียใจกับความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนความเป็นทุกข์สร้างความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงพอให้เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนพอให้เป็นทุกข์แทนที่จะฉลาดแทนที่จะเห็นแจ้งก็ได้ผทเรียนได้ผทเรียนเห็น ความเท็จความจริงในความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงในความไม่ใช่ตัวตนมันก็ซ่อนขึ้นมาในกายในกิตแต่ว่าวิธีศึกษากรรมฐานเนะี่ยมันมีขั้นตอนดีดีมันมีทางดีดีทางดําเนินไรดีดีว่าแตอย่าออกจากทาง บางทีมันชวนรู้ชวนเห็นมันสุขก็ชวนให้สุขมันรู้ก็ชวนให้รู้มันก็อย่าหลงไปให้ดูไปก่อนให้มาสร้างตั้งที่หลักก่อนเอามาตั้งที่หลักเดิมซะก่อนมันทุกข์ก็มาตั้งที่กายให้รู้สึกที่กายไปก่อนมันสุขก็มาตั้งไว้ที่กายเถอมีมีหลักมันจึงจะเดินไป ถ้าไปสุขไปทุกข์ไปรู้ลงมันไม่ได้ไปไหนมันก็จบจุดตรงนั้นเมื่อมันจบจุดตรงนั้นมันก็ไม่ได้ผ่านพ้นไปที่ไหนถูกกักถูกขังแต่เรากลับมาตั้งไว้มีสติมาตั้งไว้ใส่ใจที่จะรู้สึกตัวอยู่มันก็ปล่อยของมันเองมันก็เห็นอะไรมันก็เห็นไปเองก็รู้ตัวนี้ ตัวรู้สึกตัวเหมือนมักเปลี่ยนทางเหมือนไปเรื่อยตัวรู้สึกตัวน่ะไปเรื่อยเื่อยผ่านความหลงผ่านความรู้ผ่านความสุขผ่านความทุกข์ผ่านความผิดผ่านความถูกตัวรู้น่ะผิดมันก็รู้น่ะถูกมันก็รู้เอทุกข์มันก็รู้น่ะสุขมันก็รู้เอะรู้มันก็รู้ไม่รู้มันก็ไม่รู้อ่าเรียกว่าผ่านถ้ารู้ไม่ผ่าน ถ้าสุขก็ไม่ผ่านถ้าทุกข์ก็ไม่ผ่านวิธีที่จะทําให้เราไม่ผ่านวิธีที่ทําให้เราผ่านก็กลับมาลู่สึกตัวนะ่ะในหลักทำมันเดียวเนะี่ยไปไปได้อะไรก็ตามกลับมาลู่ศึกตัวกลับมาลู่สึกตัวกลับมาลู่ศึกตัววิธีที่จะลู่สึกตัวก็ดีเหลือเกินบับพะบระพระพุทธเจา้าบับพระ กายบัพพะคือการเคลื่อนไหวสำประชญยะบัพเพ็คือความรู้สึกความระลึกได้มั่นคง <c oughs> น, นเราเหยียบดินเวลาเราเดินทางไม่ใช่เดินอยู่บนอากาศถ้าเดินอยู่บนอากาศเดินอยู่ในน้ามันไม่มั่นคงเราเหยียบดินนี่มันมั่นคงเราก็สามารถ ้าไปได้ผ่านไปได้มันมีวัตถุที่จะทำให้เราเข้มแข็งไม่ต้องมีเครื่องโยก์กลด์เก๋เหมือนเรือบินที่เขาวิ่งวิ่งอยู่อากาศเรือมันวิ่งอยู่ในน้ำ น, นั้นเป็นอีกส่วนนะึงแต่ว่าเขาก็อาศัยอย่างนั้นเขาก็วิ่งไปได้แต่ว่ากายขาเราเดินอยู่บนดิน การบรรลุธรรมการเห็นธรรมมันต้องเอาเอาธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรมาช่วยมีอะไรมาประกอบไม่ไม่มีมีแต่กายในประกอบเข่นสติมันจะเกิดขึ้นมาก็ต้องประกอบไม่ใช่ไปหาเทคโนโลยีเครื่องกดเครื่องโยน ก, กลไกอะไร นัเครื่องวัดสมองเหมวอนเครื่องวัดอะไรเครื่องแพทย์เครื่องอะอะไรต่างๆนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่การที่จะเข้าไปเห็นทำรูธรรมันต้องในตัวของมันถ้าในตัวของมันสร้างตัวของมันก็เ ร, เรียกว่าเรียกว่ายอดเยี่ยมอนั้นเขาให้มันแรง ทำลายแมลงเหมือนตัวต่อ <c oughs> ทำลายตัวหนอนในอ้อยเหมือนแมลงมันปราบแมลงนะมันก็อยู่กันได้ธรรมชาติมันปรับตัวมันไม่มีตัวแมลงอันใดที่จะเก่งไปกว่าต่อแตนที่มันปราบแมลงที่มันเจาะอ้อยเจาะอะไรต่างๆ <c oughs> ไม่ต้องไปใช้อะไรในชีวิตจิตใจของเราไ น, นก็แล้ในจิตมันก็มีจิตในสติมันก็มีสติสติมันก็กำจัดความบือเบืความหลงไปเลยผู้ใดไม่เพี้ยนเพ่งอยู่มีสติมันพระพุทธเจ้า โอมีเพียนเพ่งอยู่วีนิดเพ่งอยู่เมื่ออะไรเกิดขึ้นเกับกายกับใจกิเลสมารกันธมารมัจจุมา น, มมมานสังขารมานเทพบุตร ม, มานก็มีสติมีเพียนเพ่งอยู่มีสติอยู่ก็เหมือนอาทิตย์แสงสอาทิตย์ ทนจากทองฟ้าทำลายความมืดได้ฉันไดู้ัไม่เพียนเพ่งอยู่ก็ทำลายความหลงได้ฉันนั้นนี่สติอยู่นี่สติอยู่ก็ทำลายมานเสนามานมันจุมานได้เหมือนอ้อยเหมือนช่างที่กินอ้อยเหมือนช่างที่กินอ้อยม่วนอ้อยเข้าในปาก เป็นความง่ายดายฉะนั้นนี่คำว่าเพียรมีสติใส่ใจที่จะรู้อยู่เสมอและรู้อยู่เสมอตรงนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในขณะที่เรารู้อยู่มันก็เหมือนช่างกินอ้อยเหมือนแสงไยจิตกาจัดความมืดเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้อยู่รู้อยู่ ไม่ต้องทำอะไรให้เจอ <c oughs> พบเห็นตัวรู้ตัวเนรเอาไปเอามามันดูมันเป็นภาวะที่ดู <c oughs> ถ้าภาวะที่ดูมันก็เกิดภาวะที่เห็นถ้าภาวะที่เห็นมันก็เกิดภาวะที่หลุดพ้นเรียกว่าจุดหมายปลายทางคือหลุดพ้น มันพระพปุโรเจ้าวตาวัาวาไม่ใช่ค <c oughs> มามมั์ น, นี้ไม่ใช่ลาบสักระเสียงสละเสริญเดินยอไม่ใช่เจ้าลัทินิกายพวกพ้องไม่พวกพ้องบริวารไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น จึงเรียกว่าพรหมจรรย์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราดูเนี่ยมันเห็นนะจึงเป็นพรหมจรรย์ตอนไหนมันสุขเราเห็นมันสุขเนี่ยเป็นพรหมจรรย์แล้วไม่เปื่อเพื่อนกับความสุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เป็นพรหมจรรย์แล้วไม่เปื่เพื่อนกับความทุกข์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น ในกายในจิตเลยเราเห็นเนี่ยเราไม่เข้าไปเป็นกับมันในเป็นพรห ม, มจรรย์เรียกว่าเมื่อเห็นมันก็พ้นแล้วพ้นไปแล้วพ้นจากทุกอย่างถ้าเห็นเป็นเราไม่พ้นวิธีปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติในตรงตรงตรงในลักษณะของการหลุดพ้นสิ่งที่ทำให้เห็นเนี่ยมากเหลือเกิน เราตั้งใจจะเจริญสติเอา้าบางทีมันเห็นขวามงม่วงโอ้ไม่ต้องไปหามันมาเองขวามงม่วงทำให้เราเห็นมันเห็นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปเป็นวิธีที่จะไม่เข้าไปเป็นเราก็มียกมือสร้างจาังหวะเปรียนเรียบบททำความรู้สึกให้ชัดเจนเหมือนตาที่เราดูอะไร มันไม่ชัดเจนก็หลับตามองใหม่แต่หูฟังไม่ค่อยได้เย็นก็ปรับมองตั้งใจฟังใหม่ปรับให้มันชัดขึ้นมาสติบางทีมันครึ่งลู่ครึ่งหลงครึ่งลู่ครึ่งหลงในขณะที่เราสร้างสติก็ไม่เราก็พยายามปรับให้มันรู้ให้มันรู้รชัดชจังวะบับพระที่เราทำเนี่ย สามารถปรับให้รู้ชัดได้พลิกมันก็พลิกเิ่งๆมือนี่ตั้งไว้มันก็ตั้งเก่งๆมันเห็นการรู้อย่างนี้มันไม่มีคำถามตั้งไว้เก่งๆลูกยกขึ้นมันก็ลกุกยกเก่งๆเนยมันปรับให้รู้กลับเข้ามาตั้งหลักที่ตั้งเรียกว่ากรรมเป็นฐานเป็นฐานเป็นที่ตั้งเรียกว่ากรรมกรรมาฐานด้วย กรรมตัวนี้มันจะจำแนกไปเองมันจะปรับของมันไปไอเมื่อมันเกิดเลยขึ้นมามันมาให้เราเห็นมอยโชว์ข้างหน้ามันก็ไม่ไม่รับไม่รีอะไรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจสิ่งที่ทำให้หลงก็ไม่ได้รับไม่ได้รับได้รีอะไรสิ่งที่ทำให้สุขสิ่งที่ทำให้ทุกข์มันก็บบอกตรงๆ ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ก็บอกตรงๆเห็นด้วยเห็นเห็นชัดนะแล้วก็กลับมาเราสร้างตัวลูกความหลงหมอยโชเราสร้างตัวลูกความทุกข์มอยโชเราสร้างตัวลูกความสุขมอโชเราสร้างตัวลูกความหมกหมุนคุณชิดอะไรต่างๆมาโชขอให้เพียรเถอะหนอยอย่าเพึงไปเอายากอย่าพึงไปเอาง่าย ให้รู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวอย่าไปแก้มันอย่าไปแก้อย่าไปอยากได้เวลามันทุกข์ไม่อยากได้ความทุกข์เวลามันสุขอยากได้ความสุขไม่ตองให้เราลู่เฉยเฉยลูย่เฉยเฉยลู่สึกตัวเรากลับมาตัวกลับมาเนี่ยกลับมารู้ตัวเนี่ยนี่จะพาให้เราเก่ง ก็จะว่าเรามาเจ่งหรือว่าทำให้เรา ม, มีฐานมีหลักการกลับมาลู่ไปบ่อยการกลับมาลู่ไปบ่อยเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่ากรรมที่มันเป็นหลักเราทำกรรมตัวนี้กรรมตัวนี้ก็ละบาปละได้ทุกอย่างถ้าเรากลับมาลู่กลับมาลู่ไม่เป็นอะไรกลับอะไรอย่าเพึงหยุดความเพียนมันเกิดอะไรขึ้นอย่าให้เขาดึงไปยังไงกลับมาตั้งที่หลัก เหมือนเรามีเราอยู่กลางน้ำไหลแตามีหลักเกาะอยู่แม้น้ำจะไหลไปเท่าไรเราก็เกาะอยู่น้ํามันก็มีมันก็ไหลของมันไปเรียกว่าสันตติทันทาเลทันทะเลมันไหลไปสันตติมันเกิดมาใหม่มันก็ไหลไปอีกแต่เรายืนเกาะอยู่บนหลักอยู่กลางน้ำไหล หลักของกรรมาฐานก็คือที่ตั้งไว้เนี่ยตั้งไว้อย่างนี้รู้อยู่นี่กลับมารู้อยู่นี่กลับมารู้อยู่นี่ความหลงมันไหลมาก็กลับมารู้อยู่นี่ความทุกข์ความสุขมันไหลมาก็รู้อยู่นี่สันติมันเกิดหลายอย่างนะมันเกิดได้หลายอย่างขณะที่เรามีสติเนี่ยยิ่งมันแข็งมีสติสร้างสติมันยิ่งคิดเวลาไม่ได้สร้างสติมันก็ไม่คิดเวทนาะมันก็โชว์เหลือเกินแต่ก่อนนี่เรา มีอะไรบังไว้เช่นเวทนานี่อริบทบังไว้ไม่ค่อยเห็นชัดๆอริบทเขาขื้นยืนเดินนั่งนอนพริบตาหายใจเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันบังเวทนาในสุขในทุกข์ก็เอาวิชามันไม่ไม่มีสติมันหลงมันหลงเกีงสุขเพราะมันหลงเกี่งทุกพอมลพามลู่หล่อ ความสุขความทุกข์มันบังไม่ได้ะเพราะไม่มีความหลงมันบังไม่ได้ไม่ต้องไปเนนก้มันอันสุขวัมทุกข์ไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเบื่อกับมันเบือ่อทุกเบื่อแล้วไม่ใช่ไม่สร้างสติอย่างเดียวอย่าไปถึงความเบือ่ออย่าไปถึงความชอบอย่าไปถึงความผิดอย่าไปถึงความถูก อย่าไปถึงความได้อย่าไปถึงความเสียรู้เฉยๆโอ้ยมาเหนือมาเหนือชั้นเลยภูมิถ้าเป็นนักรบก็ชัยภูมิถ้าได้ชัยภูมิดีๆมันก็ชนะได้ถ้าชัยภูมิไม่ดีก็ชนะไม่ได้ <c oughs> เราจเจริญสตินี่สตินี่เรามาตั้งไว้ธีกายเป็นชัยภูมินะตั้งตรงนี้ตั้งตรงเดี พระพุทธเจ้าได้ขี้ไว้ชัดเหลือเกินเริ่มแรกเอามาตั้งไว้ที่กายเพราะกายมันก็มีจะติมาตั้งไว้ที่กายพอตั้งไว้ที่นี่ก็ไปล่อยได้แล้วทังดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมู้ดดดรรมได้เห็นธรรมพวนั้นเห็นพระพุทธเจ้าคําว่าธรรมมีเยอะแยะกุศลก็มีอกุศลก็มี อุศสนก็คือความเฉลียวฉลาดเป็นความสงบเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาฝ่ายอุศลนฝ่ายอุศลก็ความโลภความโกรธความหลงความหลงก็มีความไม่หลงความโกรธก็มีความไม่โกรธความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ความเกิดก็มีความไม่เกิดความแจ่ก็มีความไม่แก่ความเก็บก็มีความไม่เก็บความตายก็มีความไม่ตาย อย่างพระท่านสวดมาติกากุศลธรรมะทำที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะทำที่เป็นอกุศลอพยากตะธรรมะทำที่ยังไม่เป็นกุศลทำที่ยังไม่เป็นอกุศลมันเป็นคู่เห็นธรรมเห็นอย่างนี้ความหลงมีความไม่หลงก็มีความโกรธมีความไม่โกรธก็มี เห็นถามีสติมันก็ผ่านไปมันก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเห็นเห็นเห็นเห็นเขาแสดงพระพุทธเจ้าแสดงทำให้ปัญจวีคีโกนธัญะเห็นคำพูดของพระพุทธเจ้าการแสดงออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าทำให้เกิดการสัมผัสของผู้ฟัง เข็นโกนธัญญาคำพูดเสียงพูดต่อจากพระโอษฐ์โกนธัญญาสัมผัสลูปลูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงอัญญากนธัญญาก็ตอบไปเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไปเที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเสียงไหนไม่เที่ยงเสียงนั่นก็เป็นทุกข์ สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั่นก็ไม่ควรไปยึดไปถือเอ้ามันบอกไปเลยบัดนะทุกข์มันก็บอกสุขมันก็บอกสิ่งควอไม่เที่ยงมันก็บอกเห็นสัมผัสไปคายค่ายกับตอบในใจว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพระเจ้าแสดงไ้ก็รู้แล้วแม้บางทีเราปฏิบัติขณะที่เราปฏิบัติ หลวงพ่อเทียนเทศไปบางทีมันพูดไปก่อนหลวงพ่อเทียนพูดไปก่อนเพราะมันเกิดแนวร่วมกับคําพูดหลวงพ่อเถียนพูดเกิดแนวร่วมฟังไปแต่ว่าเราได้ฟังสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เราได้ทําเราได้ยินแล้วก็เกิดแนวร่วมเมื่อเราไปดูหนังดูละครถ้าเกิดเแนาร่วม แสดงไปกับเขาได้เขาลองให้กขาลองให้ไปกับเขาเขาหัวล้อเก็หัวล้อไปกับเขาขอสุกเขาสุกไปกับเขาเขาล้อทุกข์เขาทุกข์ไปกับเขาแต่ ว, ว่าแนวลวปอันนั้นแหละละครแต่ว่านี่มันไม่ใช่การแสดงละครมันเป็นปัจจัจตังมันเห็นไม่ใช่มโนภาพมันเห็นมันเห็นการแสดง ของกายของกิตในสิ่งที่เราเคยหลงวันนี้มันเห็นก้นบึ้งของความหลงฉลาดอยู่ในความหลงในสิ่งที่เราเคยทุกเราเกิดความฉลาดในสิ่งที่เราเคยทุกในสิ่งที่เราเคยสุขเราฉลาดในสิ่งที่เราเคยสุขไม่เรียกว่าเห็น ความสุขความทุกข์ทำอาเราอะไรให้เราไม่ได้วะนะการปฏิบัติทำมันเป็นไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปลูอนโน่นลูอันนี้ไปจำเอาไปเอาเทปอาจารย์ไปพูดจำเอาลูโอ้ลูอย่างนั้นลูนี่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้แต่ตัวเราเป็นอย่างไรยังไปพึ่งอะไรอยู่หรือ มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆการปฏิบัติธรรมแมนว่าคนอื่นจะขี้ผิดที่ถูกมันก็เป็นเรื่องของเราเช่นเราเอามือว่าวางไว้บนเขาเราก็รู้ว่ามือวางอยู่บนเขาเราจตแขงมือตั้งไว้เราก็รู้ว่ามือเราจตแขงอยู่คนอื่นจะว่ามือเราไปที่ไหนเราก็ไม่เชื่อเพราะเราเห็น เวลาเราทุกข์คนอื่นจะบอกว่าเราสุขเวลาเราสุขคนอื่นจะบอกว่าเราทุกข์มันก็ไม่ได้เราก็เห็นอยู่เราก็แก้ของเราเองเราก็รู้ของเราเองมันเลียดด้วยตนเองอาศัยลำแข้งต่อได้หลักมันอาศัยลำแข้งเดินไปได้เลยกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันไปได้เลยถ้ากรรมฐานอันใดคอยให้คนอื่นบอก คุณได้ยานเท่านั้นคุณได้ยานเท่านี้คุณเห็นนิมิต น, นั้นคุณเห็นนิมิตอันนี้ก็เชื่ออาจารย์คุ ณ, คณกำลังจะได้ชั้นนั่นชั้นนี้เชื่ออาจารย์ไปไม่ไม่ใช่เราต้องเห็นเราเองเราหลุดอะไรมาเราพ้นอะไรมามีประสบการณ์มีบทเรียนได้จากอะไรบทเรียนที่เราได้มันเกิดอะไร ถ้าเห็นของจริงเห็นของเท็จมัน ก, ก็จืดได้จืดได้เห็นความหลงไม่มีใครเอาความหลงเพราะมันไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมกว่ามันก็จืดแล้วความหลง s, <S ความทุกข์เราเห็นแล้วมันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงเป็นธรรมกว่าความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธมันจริงกว่า แล้วใครบอกไม่มีใครบอกเราสัมผัสดูแล้วเราสัมผัสดูแล้วจะบังคับให้โกรธมันก็ข่มขืนตัวเราจะบังคับให้หลงมันก็ข่มขืนตัวเราการข่มขืนตัวเราเน่ะถือว่าบาปกว่าการข่มขืนคนอื่นเพราะการข่มขืนคนอื่นมันสองต่อแล้วมันสองต่อแล้วเฮอตัวอะไรที่มันใหญ่ที่ตัวหลงเออมีตัวหลงตัวรู้ มีตัวหลงมีตัวลูกแก่ตรงไหนไม่ได้แก้สร้างตัวลูกเรื่อยไปไปโกรธไปทุกข์ไปรักไปชังมันไม่ใช่ถ้าจะมีก็เมตตากรุณาแต่เป็นความรักก็ไม่ใช่ความรักแบบดุดมีเมตตากรุณาก่อนค่อยรักรักแบบนี้รักบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักรัก ยอดักลักผู้ร้จักไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเขาองคุริมานจับดาบไล่ฟันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยังรักองคุริมานรักไปใช่รักเฉยๆจะช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือไม่ใช่รักแบบหลกหลอกรักแบบหลอกหลอกอันนั้นไม่ใช่รักเพื่อเอาความอยากความ เห็นเจตัวไม่ใช่การปฏิบัติธรรมมันเป็นสูตรมันเป็นทางไม่ใช่หมกมุ่นไม่ใช่สุ่มสุ่มนะไม่ใช่สุ่มเลยเรามือวางไว้บนเขาก็รู้ไม่ได้สุ่มเราตั้งมือเราก็รู้ไม่ได้สุ่มไม่ต้องไปถามใครเรายกมือขึ้นเราก็รู้ไม่ต้องไปถามใครเราหลงเราก็รู้ ไม่ใช่ไปถามอาจารย์อาจารย์ฉันหลงไหมผมหลงไหมหนูหลงไหมไม่มีคําถาม <c oughs> ถ้าเราโกรธก็ต้องไปถามถ้าเราหายโกรธก็ถามไม่ใช่เราหายโกรธหรือยังไม่ใช่ไม่มีคําถามเราก็ทำไปสัมผัสสัมผัสสัมผัสถ้าเห็นความหลงชัดเจนเห็นความไม่หลงชัดเจนก็มีคําตอบอยู่ในนั้นแล้วเห็นความทุกข์ชัดเจนก็มีคําตอบ ในนั่นแล้วไ ม, ม่ใครไปเอาทำยังไงไม่เปลี่นอะไรกับอะไรรู้เห็นอา้าหลักจริงๆคืออะไรเห็นเห็นมีแต่ดูมีแต่ดูมีแต่ ด, ตดูดูแล้วก็ฉลาดดูแล้วก็เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นใหนว่าไปแล้วมันหลุดแล้วมัไปแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วพ้นอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นี่ก็หลุดพ้น ยืนอยู่นี่ก็หลุดพ้นนอนอยู่นี่ก็หลุดพ้นพร้อมหลุดพ้นเป็นศิลปะเป็นอามาตรฐานมาตรฐานชีวิตควาอมหลุดพ้นเป็นมาตรฐานชีวิตที่ได้มาตรฐานมืนกับวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้มาตรฐานมาตรฐถถานของวัตถุสิ่งของก็มีใช่ได้ มาตรฐานชีวิตเนี่ยไม่เหมือนมาตรฐานวัตถุสิ่งของเราไม่มีอะไรฮนะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาไม่มีอะไรที่เป็นผารละชีวิตลุวนล่วนนะปฏิบัติธรรมมันไปแบบนี้ก็เห็นอยู่เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับตัวเราไม่ใช่อยู่สุขโตไม่ใช่อยู่ที่น้อยไม่ใช่อยู่กับครูบาอาจารย์ไปศรัทธาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ ศรัทธาการกระทำของเราเมื่อเราศรัทธาการกระทำของเราเราก็รู้ผู้บอกผู้สอนเราก็เกิดรู้ผู้บอกผู้สอผู้เป็นต้นตหรับตำร่าก็ศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ศรัทธาต่อพระพุทธธรรมประสงค์ศรัทธาแบบนี้ศรัทธาก้าวหนะ้าไม่ใช่ปุบปุโ ผ, ผ, ผ, ผเหมือนศรัทธาหัวเต่าไม่ศรัทธาหัวเต่า ศรัทธาเก้าวหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเช่นสมัยหนึ่งหลวงพ่อเทียนตัดกระเพาะทิ้งเป็นโรคมะเร็งหลวงพ่อเทียนมีคนมาหลวงพ่อเทียนว่าจะจะต้องฉันอาหารทุกชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ผิดไปไหนถ้าไปฉันอาหารทุกสองชั่วโมง่ะ นในในห้ามฉันอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงไปถ้าหลวงพ่อเทียนไปฉันอาหารทุกสองชั่วโมงเขาก็ผิดวินัยก็มีคนบอกว่าก็ต้องศึกมีคนรับผิดชอบให้หลวงพ่อเทียนศึกแล้วก็จะได้ดูแลรักษามีกลุ่มอุบาสิกามีกลุ่มอุบาสก ขอรับเป็นธุระเรื่องนี้ไปอา้าวหลวงพ่อเทียนก็มาฉันจริงๆริงสองชั่วโมงครั้งนึง่ออองอ้าวพอมาฉันกับอ๋พระพระบางรูปก็ไปอา้างว่าเป็นโลกกระเพาะก็ขอฉันอาหารหมันกันอห <c oughs> ลวงพ่อเทียนก็บอกว่ า, วา <c oughs> เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทํำยังไงดีก็เลยถ้าหลวงพ่อเทียนก็บอกว่ า, วาถ้า ถ้าผมสึกเราจะทําังไงนะก็เป็นอย่างนี้พระก็ทําตามแบบนี้ก็เลยพูดว่าแมน่นหลวงพ่อเถีอนเสร็จผมก็จะจะกราบจะไหว้ไม่ได้เขียวยังจะกราบจะไหว้ไม่ได้เบื่อไม่ได้ถือว่าผิดแต่ว่าหาวิธีที่มันจะดีกว่านี้แต่สิ่งที่ทําให้จิตใจเราเปลี่ยนไปเวลาหลวงพ่อเถีอนสึกไม่มี แต่จะมีผลกระทบบ้างจะมีผลกระทบบ้างผู้ที่ไม่รู้ความเท็จความจริง อ, อาจารย์กรรมฐานก็ศึกไปแล้วอกผมก่มีการกระทบกระเทือนจะอย่างไงดีก็ไปมึงเลยไปสร้างทับมิ่งขวัญ ไปหาเจ้าคณะจังหวัดเลยไปถามเจ้าคณะจังหวัดเลยบอกว่าจําเป็นต้องฉันอาหารทุกสองชั่วโมงแล้วจะอยู่ยังไงหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเอา้ามันจะเป็นเลยมาอยู่นี่ใครจะมาว่ามันป่วยเนี่ยมันจําเป็นเนี่ยชีวิตปล่อยมันที่ยงยังไงมันกินเพื่อเอาชีวิตเพื่อไม่ชีวิตมันไม่เป็น เ, เลยเลยไปอยู่มืองเลยนะเนี่ย มันศรัทธาแบบนี้ศรัทธาไม่ทอถอยศรัทธาเลยศรัทธาในความเพียรที่มีครูบาอาจารย์บอกเราทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วไม่เคยมีใครมาบอกมาสอนแล้วก็ศรัทธาอะไรศรัทธาตัวเรายกมือไหว้ตัวเรายกมือไหว้ตัวเราได้ศรัทธาจริงๆก่อนที่จะศรัทธาคนอื่น ศรัทธาแบบเราทำเรามันยกมือไหว้ถอย่างเราทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยไปไปไหนก็ไปปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันก็มีอย่างนี้ประเทศไทยพุทธศาสนาของประเทศไทยรับของคนไทยมันมีวัดว่ า, ารามมันทำให้เกิดความสะดวก เป็นที่ปฏิบัติเป็นวัดวารามีที่อยู่มีผู้บอกมีผู้สอนมีตัวมีตนมีข้าวปลาอาหารอยู่กันแบบนี้ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพื่อจะไม่เปรี่ยวเดียวได้ไปหลักเนี่ยมันไม่วั่าวาราม วัดว่าอารามมีพระสงฆง์เก้วปีต ธ, ธรรมวินัยมาจากพระพุทธเจ้าเป็นนักปวดอยู่ในระเบียบอยู่ในอะไรมันก็ควรที่จะมีไม่ใช่เราจะไปตัวใครตัวมันเอ้าวมาอยู่ด้วยกันมาปฏิบัติสุขบ้างทุกบ้างไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนของเราอยากกินอะไรมีตู้เย็นมีอาหารอยากนอนก็สบาย เอ้าไม่ปาด จ, จากจากออกจากบ้านจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเลือนแล้วมีมีโอกาสที่ต้องฝึกบ้างบางคนก็บอกว่าฉันไม่เห็นมีทุกข์อะไรในโลกนี่ฉันมีความสุขตระกูลของฉันก็มีความสุขไม่เคยทําบาปทํากรรมไม่เคยทําบาปทํากรรมอะไร ไม่เคยเบียดเบียนใครเงินทองก็ไม่การงานก็ดีญาติพี่น้องก็ดีฉันไม่ได้เห็นลำบากไม่เคยทุกข์ไปสอนธรรมที่ประเทศสิงคโปร์สงปีที่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งฉันไม่เห็นมีทุกข์ะไยเงินทองก็ไม่เยอะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ไม่เห็นลำบากไม่เคยเบียดเบียนใครก็อยู่อย่างนี้จะได้ไหมลงพ่อโอ้ามาืตัวเองไม่เป็นทุกข์หรอ ตัวเองไม่บีเบียนคนอื่นแล้วก็ไปช่วยให้คนอื่นไม่ให้ไม่ให้เขาเป็นทุกข์ไปช่วยคนอื่นไม่ให้เขาบีดเบียนเขาไปช่วยคนอื่นไม่ให้เขาบี เ, เ, เบเียนคนอื่นต่อกันไปอย่างเนี้ยเหมือนพระพุทธเจ้าตัดสรตวแล้วพระองค์ไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ต้องไปสอนคนนัน่นไปบอกคนนี้โยนมาถึงพวกเราตอนนี้เป็นส่วนรวมส่วนรวมในเราเนี่ยก็ เราไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองก็เป็นส่วนรวมเหมือนกันแต่ว่ามันคับแคบให้มันมากกว่านัดไปบอกไปทําให้เขาดูไปอยู่ให้เขาเห็นไปพูดให้เขาฟังก็ควรที่จะให้มีอย่าไปมีความสุขในบ้านในเรือนของตนอย่าเนวไปออกอเป็นว้าเป็นหมู่เป็นเม็ดชักชวนเอาคนอื่นชวนคนอื่นไปอย่างนี่ก็ดีมั้ง